สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่สองอสิบประธานอํานาจให้พระเจ้าของพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในธรรมาระโกบทที่หกธรรมมาร ะ, ะราโกบทที่หกข้อที่เจ็ดจนถึงข้อที่สิบสามโปรดฟังพระเจ้าของพระเจ้าพระองค์ทรงเรียกสาวกสิบสองคนมาแล้วทรงใช้เขาให้ออกไปเป็นคู่คู่ทรงประธานอํานาจให้เขาขับผีร้ายออกได้ และตรัสกำชับเขาไม่ให้เอาอะไรไปใช้ตามทางเว้นแต่ไม้เท้าสิ่งเดียวห้ามมิให้เอาอาหารหรือย่ามหรือหาสตางใส่ไถ่ไปแต่ให้สวมรองเท้าและไม่ให้สวมเสื้อสองตัวแล้วโปรงตรัสสั่งเขาว่าถ้าไปแห่งใดเมื่อเข้าอาศัยในเรือนไหนก็อาศัยในเรือนนั้นจนกว่าจะไปจากที่นั่นและถ้าแห่งไหนไม่ต้อนรับไม่ฟังท่านทั้งหลาย เมื่อจะไปจากที่นั่นจงสะบัดผงคลีใต้ฝ่าเท้าของท่านออกซอให้เห็นความผิดของเขาฝ่ายเหล่าสาวกก็ออกไปเทศนาประกาศให้กลับใจเสียใหม่เขาได้ขับผีให้ออกเสียหลายผีและได้เอาน้ำมันทาคนเจ็บป่วยหลายคนให้หายโรคเพียงครับเราจะเห็นว่าตอนนี้นั้นพระเยซูทรงมอบสิทธิอำนาจให้แก่เหล่าสาวกทั้งสิบสองคนของพระองค์ ประคัมภีตอนนี้เล่าถึงการที่สาวกเตรียมตัวที่จะออกไปเทศนาสั่งสอนด้วยตนเองเนื่องจากพวกเขานั้นได้รับการแต่งตั้งจากพระเยซูครับพวกเขาจึงติดตามพระเยซูและได้เห็นพระเยซูกระทําพระราชกิจปณิบัติประชาชนพวกเขาได้เห็นสิทธิอำนาจของพระเยซูเหนือความตายเหนือผีร้ายเหนือโรคภัยไข้เจ็บในหลายๆตอนที่ผ่านมานะครับเราจะเห็นว่าพระเยซูได้ มีสิทธิอำนาจและรับมอบสิทธิอำนาจจากองค์พระบิดาและเป็นผู้ที่ใช้สิทธิอำนาจนั้นอยู่เหนือธรรมชาติอยู่เหนือโรคภัยไข้เจ็บแม้กระทั่งความตายอย่างนี้ก็ตามครับท่านผี ต, ตอนนี้มีข้อความที่สําคัญที่สําคัญมากคือประโยคที่บอกว่าพระเยซูทรงประทานอํานาจให้เขานี่คือประโยคที่สําคัญครับเพราะว่าอํานาจนั้นจะต้องรับรับ เป็นของประธานที่มาจากพระเจ้าเป็นสิทธิทอำนาจที่พระเจ้ามอบให้กับเราพระเยซูให้พวกเขานั้นมีสิทธิอำนาจฤทธิ์นาจฤทธิ์เดชของพระเยซูที่จะเทศนาสั่งสอนขับผีร้ายออกและรักษาโรคนี่คือสิ่งที่พวกเขาได้กระทําครับในข้อที่สิบสองและสิบสามนอกจากนี้พระเยซูก็ยังได้ตัดกําชับโดยเฉพาะเจาะจงครับถึงการปฏิบัติพระราชกิจขอให้สังเกตรครับว่าพระองค์ทรงใช้พวกเขาออกไปเป็นคู่เขาออกไปเป็นคู่คู่ครับ เป็นไปได้ครับเพื่อหนุนใจซึ่งกันและกันและร่วมงานกันเป็นคู่คิดต่อมาคิดจักรในยุคแรกของพระกัมภีร์ใหม่นั้นก็ได้ปฏิบัติตามแบบนี้เช่นเดียวกันครับเราเห็นตัวอย่างครับว่าบารานาบัสนะครับก็ไปกับเปาโลนะครับเปาโลเมื่อแยกทางจากบารานาบัสแล้วก็ไปกับศีลาดบารานาบัสก็ไปกับยอนยอนที่มีเรี่กว่ายอนมาร์โกนะครับพี่น้องครับเราสังเกตนะครับว่าในกัมภีตอนนี้ ในการเดินทางพวกเขาเอาอะไรออกไปนะครับได้เอาอะไรไปไม่ได้ครับในข้อทีแปดข้อดการทนะระบุชัดเจนครับว่าให้พวกเขานั้นเอาไม่เท้าไปได้นะครับเอารองเท้าไปได้แต่ให้ใส่เสื้อเพียงตัวเดียวเพียงเท่าครับเราจะทําความกระจใจเรื่องนี้ก็คือว่าเบิดโป๋ติแล้วนะครับคนยื้เวลาเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยจะต้องมีเสื้อสองตัวครับเสื้อในตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เสื้อนอกตัวหนึ่งเสื้อนอกนั้นมีไว้สําหรับสวมรับ นะครับสำหรับการเดินทางให้เกิดความอบอุ่นในเวลากลางคืนครับและเสื้อข้างในนั้นก็จะเป็นเสื้อที่ใส่อยู่ข้างในเป็นเสื้อตัวยาวพับทบกันเย็บตะเข็บด้านเดียวโดยปกตินั้นจะยาวคลอมเท้าครับสองข้างจะมีช่องสําหรับสอดแขนและสวมทางศีรษะเพียงครับในข้อที่แปดระบุนครับว่าไม่ให้เอาย่ามเอาอาหารหรือเอาเงินนะหรือเอาพกเงินไปเพราะว่าโดยปกติแล้วนะครับผู้ที่เดินทางนั้นจะต้องเอาอาหาร เช่นขนมปังบ้างอังอุองนุนแห้งบ้างนะครับปลาแห้งบ้างนะครับหรือเนยแข็งบ้างก็จะมีพวกผลไม้เช่นมะมกรอกนะครับมะเดื่อนะครับ <c oughs> พวกนี้ก็จะเอาติดตัวไปเพื่อที่จะเป็นสเสบียงนะครับ <c oughs> แล้วก็บางคนก็จะเอาเหรียญทองแดงนะครับเล็กๆใส่ไว้ในพกเผื่อเวลาที่ต้องการเงินค่าที่พักค่าอาหารเพื่อจะซื้อของอะไรบางอย่างนะครับแล้วก็ย่ามก็เหมือนกัน ย่ามนี้มีไว้สําหรับใส่อาหารเสื้อผ้าสํารองที่พระเยซู ต, ตัดกําชับพวกเขาเช่นนี้โปร่งส่งประสงค์ที่จะบอกแก่พวกเขาว่าให้พวกเขาอาศัยความเอื้อเฟื้อด้านอาหารและที่พักจากคนอื่นๆที่มีความศรัทธาคนดีที่ยังอยู่ในสังคมนะครับคนที่ยอมรับผู้รับใช้ของพระเจ้าและเกื้อกูลให้ความอุปถัมป์การมีน้ําใจอัธยาศัยรับรองแขกนะครับเป็นหน้าที่อันสูงส่งของคนในสมัยนั้น เพียงครับเราคงจําได้เรื่องอับราฮัมใช่ไหมครับอับราฮัมนั้นต้อนรับคนแปลกหน้านะครับเขาก็คิดว่าเสมือนกับต้อนรับตัวแทนขององค์พระผู้เป็นเจ้าเช่นเดียวกันคนที่มีน้าใสใจดีนะครับอัตยาสายดีคอยต้อนรับแขกนั้นเป็นพระพรของพวกเราทั้งหลายทุกคนนะครับที่ได้มีโอกาสต้อนรับพิจักบางแห่งก็มีห้องหับนะครับเพื่อที่จะต้อนรับผู้รับใช้ต้อนรับผู้ที่มีความต้องการ นะครับในเรื่องของที่พักและอาหารพี่น้องครับเมื่อมีคนแปลกหน้าเดินทางเข้าไปอยู่ในหมู่บ้านนะครับใดก็ตามเขาไม่ต้องหาที่อยู่และอาศัยตัวเองเป็นหน้าที่ของชาวหมู่บ้านยังต้องแสดงน้ำนำใจต้อนรับขับสู้นะครับเป็นไปได้ครับว่าพระเยซูไม่เพียงไม่เพียงแต่ทดสอบความเชื่อของเหล่าสาวกพวงยังทรงประสงค์ให้เขานะครับให้เขามีความไว้วางใจด้วยนะครับและประสงค์ให้ชาวหมู่บ้านต่างๆที่มีส่วนในพระราชกิจของพระองค์ โดยเอื้อเฟื้อปัจจัยที่จําเป็นกับเหล่าสาวกเหล่านั้นในข้อที่สิบและข้อสิบอ็ดครับพระเยซูตัดกําชับสิ่งที่ต้องการทําหากไม่มีผู้ใดต้อนรับเหล่าสาวกและเป็นคําสั่งเกี่ยวกับการที่จะพักอยู่บ้านหนึ่งบ้านใดานานเท่าไหร่นะครับพระเยซูบอกว่าถ้าไม่มีใครต้อนรับและก็ไม่มีใครที่จะดูแลเขาพระเยซูบอกว่าอะไรครับบอกว่าให้สะบัดผงครีที่เท้าออกพี่น้องครับ พระเยซูไม่ได้ประสงค์ให้เหล่าสาวกย้ายจากบ้านนี้ไปบ้านโน้นนะครับในหมู่บ้านเดียวกันแต่ให้พวกเขาพักอยู่ในบ้านแรกที่มีผู้มาต้อนรับในการอเดียวกันครับหากไม่มีผู้มาต้อนรับนะครับให้สะบัดผงคลีนี่เป็นธรรมเนียมประเพณีของชาวยิวที่เคร่งศาสนาที่เดินทางไปยังภูมิภาคต่างๆนอกพรมแดนยิวคนเหล่านี้นะครับเชื่อว่าจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสะบัดผงคลีจากเขตแดนของชาวต่างชาติให้หมดสิ้นจากเท้าจากเสื้อผ้าของตนอย่างเด็ดขาดอันนี้เป็นการแสดงออกถึงการตัดสินครับ ลองนึกดูนะครับว่าชาวยิวที่ปฏิบัติเช่นนี้จะตกตะลึงเพียงใดไม่ต้องสงสัยนะครับว่าจิตใจของคนเหล่านั้นจะประจักแจ้งว่าอักร์สาวกสาวกของพระเยซูนั้นแสดงถึงการไม่ยอมรับประชาชนนะครับที่ปฏิเสธทระกิตดิคุณหรือทูตของพระคริสเพี่อนครับข้อความที่เขาประกาศนั้นคืออะไรครับข้อสิบสองระบุว่าให้เขาเทศนาเรื่องการกลับใจเสียใหม่นี่คือเนื้อความหรือเนื้อหาสาระที่ยอนผู้ให้บัพติมานั้นประกาศเหมือนกันนะครับ ยอนพเพื่อให้ปสมาประกาศไว้นะครับบันทึกอยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่สามข้อสองบอกว่าจงกับใจเสียใหม่เพราะว่าแผ่นดินสวรรค์มาไกลแล้วนี่คือเนื้อความที่เพียร์ซูประกาศเช่นเดียวกันครับและเพียร์ซูก็ให้เหล่าสาวกนะครับทั้งสิบสองคนที่ออกไปเป็นคู่คู่นั้นก็ไปประกาศเช่นเดียวกันต่อมาครับพวกเขาได้กลับมาจากการเดินทางและเล่าถึงเหตุการณ์ทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นให้เพียร์ซูทราบพวกเขานั้นมีประสบการณ์ว่า การเทศนาสั่งสอนโดยไม่มีพระเยซูไปด้วยนั้นเป็นยังไงบ้างนะครับพวกเขาอาจจะเจอกับความล้มเหลวพวกเขาอาจจะเจอกับการข่มเหงพวกเขาอาจจะเจอกับการถูกไล่นะครับด้วยความไม่เชื่อของคนมากมายที่คอยเขาอยู่พี่น้องครับความเชื่อของเขาจําเป็นจะต้องได้รับการสนับสนุนส่งเสริมครับพี่น้องครับเราเห็นนะครับในบทต่อๆไปพระเยซูเริ่มถอนตัวออกปากชาชนอยู่หมู่มากแล้วนะครับเพื่อที่จะใช้เวลาในการเทรนนิ่ง การฝึกสอนหนุนใจเหล่าสาวกเตรียมไว้สําหรับช่วงเวลาที่พระองค์จะไม่ได้อยู่กับพวกเขาอีกต่อไปครับนี่คือการเทรนนิ่งครับพี่น้องครับเราจะรู้นะครับว่าการเทรนนิ่งจากพระเยซูนั้นก็คือการมอบอํานาจให้เขาไปทําและเขาทําในลักษณะที่ชัดเจนนะครับว่าต้องมีการซัพพอร์ตต้องมีการรับการช่วยเหลือจากคนที่มีความศรัทธามีความเชื่อเช่นเดียวกันครับพี่น้องครับหากว่าท่านเองนั้นไม่ได้เป็นผู้ที่ออกไป เรามีหน้าที่สำคัญอย่างหนึ่งคือว่าเราจะต้องสนับสนุนให้คนออกไปครับไม่ว่าจะด้วยทรัพย์สมบัติก็ดีไม่ว่าจะด้วยเงินถวายก็ดีไม่ว่าจะด้วยคำอธิษฐานก็ดีไม่ว่าจะเป็นการนุนจิตชูใจผู้ที่ออกไปก็ดีเพียงครับในหลายๆโบสถ์นะครับเรามีคณะมิชชั่นนะครับมีคณะมิชชั่นและคณะมิชชั่นนั้นบางครั้งนั้นก็ไม่มีคนของเราออกไปนะแต่ว่าเขาก็ได้สนับสนุน ให้มีเงินทองออกไปให้มีการถวายออกไปให้มีการอธิษฐานเผื่อออกไปแต่นี่คือสิ่งที่จําเป็นมากที่เราทั้งหลายจะต้องรับสิทธิอํานาจรับมอบสิทธิอำนาจรับมอบบทบาทที่สนับสนุนผู้รับใช้พระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องชาวทุกท่านนะครับเช่นเดียวกันครับหลายหลคนที่รับมอบสิทธิอำนาจจากพระเยซูขอให้เราได้ใช้สิทธิอำนาจนั้นด้วยความเชื่อความศรัทธาเช่นเดียวกันพึ่งพาพระเจ้าในการตัดสินขอโทษครับ พึ่งพาพระเจ้าในการตัดสินใจต่างๆพึ่งพาพระเจ้าในการให้คำปรึกษาคำแนะนำต่างๆพึ่งพาพระเจ้าในการที่เราจะแสดงถึงชีวิตที่มีพระเยซูอย่างแท้จริงขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่กทกทานอาเมน